บริหารและรูบอาจาัดในที่ประชุมนี้สมีท่านประธานองคการศึกษานักเรียนนักศึกษาในทุกระดับในฝ่ายบัญชีนักที่ีีและขอเจริญพรท่าน ผู้บริหารท่านผู้แทนสถานศึกษาที่มาเขาร่วมในพิธีขึ้นหนในฝ่ายของสำนักเรียนวัดประยโรวงสาวาสมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จเจนคําม พิธีประทมนิเทศการเปิดการศึกษาในครั้งนี้เพื่อรับปรกันความสำเร็จความสำเร็จอยู่ทั้งในกระบวนการและผลผลิตกระบวนการก็คือพวกเรามาเข้าเรียนการพัดร้องตั้งแต่ต้จนจนจบ ปีการศึกษาผลเพริดก็วัดจากจำนวนผู้เข้าสอบและสอบ ไ, ได้ก็จะเป็นหลักประกันของการลงทุนลงแรงที่ไม่สูญเปล่าการตรียการเป็นเรื่องสาคัญเหมือนกับ เนี่ยจะเดินไปไหนติกลับมาเท่ไหนมีระเบียบวินัยู่วัฏสามาเพราะฉะนั้นในการลงทุนลงแรงเราจะต้องมีหลายฝ่ายมาร่วมลงทุนที่ว่ามาร่วมลงทุนก็คือ เป็นหลักประกันความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะในตอนสอบอย่างเดียวเหมือนอย่างสถานศึกษาก็ต้องมีการลงทุนร่วมกันเหมือนกับที่ประญญานาธิบดีสหรัฐชื่ออัลลาอันเบลคอนได้กล่าวว่าถ้าให้เวลาแก่ ข้าพเจ้าในการตัดต้นไม้หกชั่วโมงข้าพเจ้าจะใช้เวลาลักขวานสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นการลักขวานให้คงอีกสองชั่วโมงตัดต้นไม้ถ้าเราจะเข้าสอบไม่ว่าธรรมศึกษา ไม่ว่าป ร, ริยัติธรรมบาลีนักธรรมรวมถึงวิชาการเทศนาการรับขวานก็คือการเรียนเรียนให้มากและสุดท้ายก็ไปตัดต้นไม้คือไปสอบใช้เวลาในการเตรียมการคือการเรียนฝึกฝนให้มาก และมันจะหนักตอนท้ายน้อยลงที่ตอนตัดต้นไม้การเตรมการด้วยการร่วมกันรับขวานเนี่ยคือกระบวนการในช่วงนี้คือการลงทุนลงแรงร่วมกันจะให้สำนักเรียนประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านบาลีนักธรรม มาศึกษาและวิชาการเทศนาทุกฝ่ายต้องลงทุนรับความด้วย <c oughs> กันเริ่มตั้งแต่ทางวัดก่อนวัดเประวงสาวะนี่ลงทุนเยอะนะเมื่อกี้ที่บอกว่าโรงเรียนทุนมาจากโรงเรียนนะ่ะที่จริงมาจากวัด ใช้เงินปีหนึ่งหนึ่งไม่น้อยคือวัดหาเงินมาแล้วส่งมาให้โรงเรียนบริหารในฐานะเจ้าของทุนก็หวังผมสมังเกไม่อยากให้สูญเปับเปีหนึ่งเป็นเงินไม่ใช่น้อยวัดจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจบ มันนั่ตรงนี้ในฐานะเจ้าสนักเรียนในฐานะเจ้าว่าก็มาประกาศให้ความร่วมมืออยากได้อะไรบอกไม่มีห้องเรียนเราจัดห้องเรียนให้ห้องเรียนไม่ไม่เป็นสัปปายะจัดให้ไม่มีพัะตาหารจัดให้ไม่มีเงินเดือนครูบาอาจารย์จัดให้เรียกวันลงทุน ในส่วนของวัดและก็มอบหมายพระเถ ร, รกผู้ใหญ่ซึ่งควรจะไปทำงานยางอื่นให้มาทำงานตรงนี้รวมทั้งครูบาอาจารย์การลงทุนทั้งอาคารสถานที่และปัจจัยต่างๆซึ่งควรจะเอาไปใช้ทำยางอื่น แต่เราก็ต้องมาจัด ก, การเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาการเทศสนาจัดทั้งปีงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากสนังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านอุปสมภ์มามหาวิทยาลัยมหาจุาลงกรณรละวิทยาลัยคณะครุศัตร์ซึ่งคณะบดีท่านมาอยู่หน้าที่นี้ ก็ให้การสนับสนุนอันนี้ในฝ่ายของผู้ร่วมพุ่นร่วมรสุดนในเรื่องของธรรศึกษาสถานศึกษาก็สนับสนุนทั้งอาคารสถานที่เรียนและที่สอบที่สาคัญคือค่า เ, เรียนเวลาเรียนแทนที่นักเรียนจะไปเรียนวิชา สามัญโดยปกติก็ต้องเจียเวลาให้นักเรียนมาเรียนวิชาธรรมมาศึกษาอย่างน้อยก่อนสอบอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์ไปสอนและอำนวยความสะดวกในการสอบมีอะไรบ้างที่ไม่ลงถุงอยากเป็นสุขก็ตัองทุกลงถุงขอดอยากเป็นก้อนที่ละน้อยค่อยกระสอบ ในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกจกรรตทั้งหมดทั้งวัดทั้งสำนักเรียนและสถานศึกษาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อผู้เรียนทั้งสิ้นถ้าผู้เรียนประสบความสำเร็จเราก็ปล่อยีใจ ถ้าล้มเหลวเราก็คอยผิดหวังและความสำเร็จและความสลบล้มเหลวเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าองค์ประกอบคือผู้สอนและผู้สนับสนุนถ้าผู้เรียนไม่ลงทุนในขณะทีผ่ผู้สอนและผู้สนับสนุนลงทุนโอกาสแห่งความล้มเหลวมีเยอะ ผู้เรียนต้องลงทุนอะไรประการแรกต้องลงทุนในเรื่องเวลาต้องให้เวลาเต็มที่ไม่ใช่เรียนแบบเขาเรียกว่าอดีร์ไม่รู้จะทำอะไรเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอย่าเรียนแบบพาราทไท ไม่เต็มเวลาคลื่ๆนๆต่างๆต้องเรียนแบบฝุนถักฝุ่นถ่ายเต็มเวลาจะจบปทศวิชาการเทศนาท่านจะต้องสลักเวลาในการบริหารวัดในฐานะพระสังฆาธิการในการทำกิจกรรมที่วัดรวมถึง ไปสวดมนต์ไปเทศไปสอนที่ไหนก็าตามเมื่อถึงเวลาท่านต้องทิ้งและก็มาเข้าเรียนที่วัดประยุรวงาวาเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถวางภาระอื่นๆและเห็นว่าการเรียนเป็นแค่ชั่วคราวข้าเวลาเรียนไม่จบ รับมาเยอะแต่เปอร์เซ็นต์จบก็ไม่ได้เต็มร้อยทุกปีไม่ไม่ใช่เพราะว่าสติปัญญาในสิทธแต่เป็นเพราะไม่สามารถควบคุมหรือวิมีวิันในตัเองถึงเวลาต้องเรียนนะต้องวางภาระอื่นๆต้องตัดปริโภคเคลื่อนกังวลทั้งปุ่ หนึ่งปีท่านถึงจะเรียนจบในส่วนของนักเรียนบาลีนักธรรมก็เช่นกันมาเข้าเรียนตามกำหนดตามปกติทั้งปีโอกาสที่จะตกมีน้อยไปดูที่พวกที่ตกก็แล้วกันถ้าแน่จริงทางสถิติส่งเจ้าสนักเรียนละ ไอ้ที่ตกเยอะๆเนี่ยเข้าเรียนกี่ว่าเข้าเรียนกี่ครั้งคนที่เข้าเรียนตามปกติถึงเวลาแล้วไปเรียนเขาให้ทำแบบฝึกหัดก็ทำในสมัยนี้โอกาสที่จะได้มีมามันไม่ได้ยากเกินไปหรอกแต่เราไปรักอย่างอื่นมากกว่า ไปทำกิจกรรมอื่นไปเรียนอย่างอื่นจนไม่สนใจพระพิยีธรรมซึ่งเป็นการศึกษาที่รักษาพระศาสนาบางทีก็มาอาศัยวัดแล้วไปทาไปเรียนในเรื่องที่ตัวเองมุ่งประโยชน์ตัวเองวัดเลยทีเียวบางทีเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ให้อยู่ในซัม แต่วัดไปยโรองศาวาานั้นส่งเสริมการศึกษาทั้งหมดทุกระบบแต่ขอว่าอย่าทิ้งการศึกษาพระไปเรียนอีอย่าทิ้งบาลีนักธรรมเพราะมันเป็นการศึกษาที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างนักธรรมฉันเองเนี่ยต้องไม่ได้ใครอยู่ในภาษาศาสนาไม่จบนักธรรม ก็เหมือนกับไม่จบการศึกษาภาคบังคับของบ้านเมืองบ้านเมือง น, นีน่เรียนอยู่ในวัยเรียนเกณฑ์เรียนอายุไม่ถึงสิ้าปีแล้วไม่เข้าเรียนเนี่ยผิดกฎหมายพ่อแม่โดนลงโทษโดนปรับถ้าอยู่ในวัดยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือนักธรรมชันนนนนน้นเอกพ่อแม่ผู้ปกครอง เจ้าคณะประจำนนรปรับมามันจะต้องลงทุนร่วมกันไปเรียนยันอื่นเราไม่ว่าแต่ต้องใส่ใจการศึกษาขั้นพื้นฐานของพระศาสนาทั้งบาลีและนักธรรมอย่างน้อยให้เป็นมหาป ร, ริญญาให้ได้ชื่นใจกันนี่เรียกว่าลงทุนในด้านเวลา นอกจากนี้ยังลงทุนในเรื่องของการยาณมิตรคนที่จะเรียนอะไรก็ตามต้องมีกาลยานามิตรในเรื่องนั้นถ้ามีเพื่อนร่วมเรียนเยอะๆมันจะเกิดกำลังใจเพื่อนก็เรียนคนรู้ก็เรียนเราก็เกิดความคึกคัก เพื่อนก็โดนคนนีก้ก็โดนอาจารย์ก็โดนจำวัดกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนวิชาการศีษธรรติดต่อถึงกันหมดกับเพื่อนร่วมห้องทากิจกรรมร่วมกันดีไม่ดีเดินทางมาด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันคุยกันแต่เรื่องเพศ รับรองว่าไม่นานการเทพก็อยู่ในหัวใจของท่านมีวิญญาณนักเทพทำให้เขาให้ใช้เวลาตั้งปีเรียนจริงๆสัปดาห์ละสองวัด <c oughs> ก็เพราะว่านอกเวลานะั้นมันเป็นเรื่องของการหาแสวงหาไปอ่านไปค้นไปคุยกันให้มันตกผลึกเกิดจิตวิญญาณของนักเทศ วิญญาณนักเทศมันไม่ได้เกิดในวันสองวันเหมือนปวดจะเป็นนัก่กร้องมันไม่ได้มาร้องมาเดียวสองวันมันฝึกมันฝนจนเข้ากระดูกหลังไปไหนมันก็จะร้องอยู่นั่นอาบน้ำมันก็ร้องดังลัง่นเป็นนักเทศต้องเหมือนกันนอกจากในห้องเรียนแล้วนอกห้องเรียนท่านไปอยู่ที่วัดให้ยันวัดไปยูเนี่ย เป็นสำนักนักเทศไม่ว่าไมืไ่อไรจัดงานอย่างนี้ไม่ว่าจะต้องมีคนยึดเพราะวิญญาณโคงกันเข้าสิงว่าจะเดินมาหนี้เสียเปลาป่าไปรู้แหละไม่รู้ว่าจว่าจะได้พูดเมไหรอย่างไปว่ากนะันนี่มนวัดนักเทศท่านสังเกตดิอบรมนักเทศ บรรทักท่านมาดูอย่าเน้กว่าท่านเคยเรียนมาแล้วท่านจะเห็นจิตวิญญาณมันสึ่งสักทุกคนเนี่ยมันมีบรรยากาศเข้ามาในวัดประยุทธ์มันึงม่เงียบเหงามันมีสิ่งเรา้าให้ท่านอยากเป็นนักเทศเดีย๋ยวนี้พอลดลงไปลดลงไปการเรียนการสอนก็เงียบหนาผู้บริหารต้องทำอะไร ต้องสร้างบรรยากาศใครที่รับผิดชอบในการเป็นเลขาเป็นอาจารย์ลองทำดูในมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลักกลาลายเมื่อเปิดปริญญาโทเขาไม่รับรองนปีสองพันห้าร้อยสามสิบเ็ดสาสบสองมาเรียนอย่างไม่มีอนาคตเรียนไปอย่างนั้นปริญญาไม่มีความหมาย แต่ว่าคือคัดเพราะว่ามาเรียนกันยี่สิบสามสิบรูปแล้วครูบาอาจารย์นี่เอาใจใส่ น, ะนักเรียนหายไปนิสิตหายไปรูตานะ่าะคณะบรีจะนั่งจะเข้าไปในที่ทำงานให้นิสิตเียนหน้าทุกป่จุไม่ว่าจะไปธุระที่ไหนต้องเข้าไปไปดูไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ บางรูปบางท่านหมดกำลังใจไม่อยากจะเรียนเรียกมาถามมีปัญหาอะไรก็เรียนกันจนจบห้าปีก็มีเป็นกระเลียงิดกันที่พูดได้เพราะเป็นคณะบดีเองทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้ในวัดเราเนี่ยถ้าเราลองมานั่งกันน่งมาดูก็คณะไหนไม่ลง เดี๋ยวก็มากันและอาจารย์รู้ไหนไม่มาสอนเราก็รู้เองถ้าสลรเวลาไปจริงๆไม่ต้องไปตามนักเรียนจากเจ้าคณะนะจอบไปที่ตัวนักเรียนอะไรทำไมไม่มามลนภาพแล้วหรือยังอยู่เนอะทานไปโรงเรียนอยู่อย่างนี้แนละ้วหาทำแผนที่ให้รับรองไม่นานก็มา เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครจะเป็นเลขาโรงเรียนนี่ทาสัตยาบาัดมีหน้าที่ตามนักเรียนอย่าไปตามที่เจา้าคณะจอบลงไปที่นักเรียนเมื่อนักเรียนไม่มาเพราะอะไรค่อยแจ้งเจา้าคณะแจ้งเจาอาวาหรือแจ้งประธานทาเหมือนที่มหาจุฬาจอบไปที่ผู้เรียนรับรองว่ามันจะเปลี่ยนและผู้บริหารมานั่งดูทำงานจะเรียงไร แต่ไม่รับประการว่าจะประสบความสําเร็จเพราะวัดประยุนมีปริฆนย์เยอะมีกิงจะทำดีไม่ดีไปส่วนนอกวัดกันทั้งหมดเลยทั้งคนเรียนทั้งคนสอนหาไปไม่ไปเจอเลยอยู่ในงานลบที่ในส่วนตัวที่เรียนจบประโยชน์ก้าววัดประยุนไม่รับกิจนี่ผมเป็นเนมจนๆนี่ยถ้าเสียเวลาเรียนไม่รับเลย แม้แต่ให้สอนก็ไม่สอนมีวินัยในตนัวเองฝึกมาตั้งแต่นั้นถ้าถึงเวลาสอนก็สอนถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลาประชุมก็ประชุมจริงๆไม่อยากเลื่อนเลยประถมใเทศเดียจะต่ไปต่างประเทศกันเยอะคณะเราไปต่างประเทศไปมาองต่างกันกลับมาก็กำหนดประถมนนเทศ พอดีพระเจ้าอยู่หัวรัวชกานที่สิบมีดีการตระทนาเข้าวังในช่วงเช้าไม่ไปก็ไม่ได้งานพระองค์เจ้าสงเสลลรีพระบวรราชสิรินดามา m 60พัรษาก็ต้องไปว่าตอนบ่ายก็ถามว่าตอนบ่ายตอนผมนี้เทศ่ได้ไหมเป็นตอนบ่ายในวันทั้งที่แล้วอบแปรวก็รูปอื่นไม่ว่างอีกมันก็เลยต้องมาเป็นวันนี้ แต่ในส่วนตัวเนี่ให้ความสำคัญอยากจะให้ผู้ประสานงานเนี่ยจี้ทุกฝ่ายจี้จะจี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถ้าทำ ง, งานอย่างนี้มันจะจุดติดแต่ถ้าอยู่ช้าช้าเยนชามันก็ปีหนึ่งต้องมาพบกันทีบนมนกันอย่างนี้ทุกปีแต่ก็ด้วยความหวังว่าในการบริหารจัดการเราต้องลงทุนร่วมกัน เมื่อเราลงทุนร่วมกันทุกฝ่ายวางสำเร็จบีได้หน่อยแต่ขอให้มีวินัยในตรงนี้ในส่วนของผู้สอนก็ต้องสละเวลาถ้าสละเวลาแล้วมันจะต้องติดติดนี่บนที่นี่ที่นั่นก็บอกของังว่าจ่ายชดเชยเลยตอนนี้ไม่ได้ไปที่นู่นเสียหลายได้ตอนนี้วัดจ่ายให้ แต่ไปดูตอนสอบท่านนักเรียนตกเอาคืนถ้าให้สอบได้เท่าไรเราก็รวม ไ, ไมชชีช่วยกันเนาะเอาห้องโภมันจ่ายให้มีผู้ประสานในส่วนของปอสอสอบก็เหมือนกันเราดูวสี่สิบสมรูปจะเจลกี่รูปอยู่ที่พระคูโสพล ค, คอยติดตามยกเว้นแต่เข้า i อ u ียเท่านั้นใครขา คนถามเลยมีเบอร์ทุกลูกมีลายด้วยตัดลายเรืองจิที่หมนออกให้หมดเหลือแต่ลายเรื่องมาเรียนอย่างเดียวถ้าบริหารอย่างนี้เนี่ยก็คือมีเวลาให่เป็นฟูดไทยเต็มร้อยเนี่ยมันจะผิดเออมันจะตับมรนยากแตกเลยตรงนี้ในตอนที่เรียนบาลีเนี่ยไม่คบกับพวกที่ไเรียนไม่เสร็จุ๊ยหรือ เพรไอ้พวกที่ไม่เรียนนี่มันจะขาเที่ยวคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องพุทธประวัติเรื่องบาหลีเรื่องนักธรรมมันไม่คุยมันเป็นเดรัจฉาน น, าานักคาถาขวางทางไปกัเกา้าไม่คุยท่านเขาไม่คุยอาจารย์แลประเทศปฏิภาณจะมีมักจะถามมักจะสังเกตว่าเ น, นี่ยทำไมไม่พูดวันนี้บอกให้กันอะไร พูดมาเมียแต่เรื่องไปสวนไปเทศไปฉันไม่มีใครพูดเรื่องเรียนบาลีเลยสักรูปเดียวในวัดตอนนั้นวัดไปยูเนี่ยถ้าจะคุยกับถ้าจะแช่กรเทศกับไปเทศแล้วไปเทศมันเกี่ยวกับไปยูกล้าตรงไหนในส่วนตัวที่กําลังเรียนจะคุยกับโน้นที่วัดสามภัยหยาไปนั่งนี่กับโน้น ไปเรียนบาลีกันคุยกันกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ท่านจะคุณสุชาติเป็นคุณประกอบเป็นส า, ายเรียนด้วยกันมันเกิดกระตุ้นให้กำลังใจ่จะเสร็จแล้วพอเรียนจบมาเป็นนักเทศก็คุยกับพวกนักเทศจรใช่ไหมอบรมนักเทศก็กลายเป็นนักเทศนักพูดตอนเรียนท่านสื่อไป่คยพูดอ้าวต่วไปครบไม่ใช่เป็นพูดแต่ไปพูดเป็นภาษาบาลี่ นั่งรถไปนี่เห็นอะไรแต่งเป็นบาลีหมดเป็นบาลีขึ้นสมองนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่านึกก็ไม่สังขันทำอะไรก็ให้มันทำจริงๆเราเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือเมื่อเราบีวิ่ัยในตัวเองคือมีศีลเราก็จะเกิดสมาธิในการเรียนในขณะเรียน นึกถึงนักเรียนมหารัยคนไปถามทําไมท่านนักบอเรียนถึงทํางานเก่งแล้วเกิบกเกรบก็เก่งเศรษฐกิจก็เก่งตอนนักบอเรียนเข้ามาเป็นเมียร์หน้าเศ ร, รษฐกิจทางย่อยยักของฝรั่งเศส ต, ตอนนักบอเรียนอยู่มาอยู่มาเีงตั้นรวยเหเกินประเทศฝรั่งเศสเพราะนักบอลเรียนถือคติว่า กองทัพเดินด้วยของกฎหมายนกโกเรียนเนี่ยเป็นต้นฉ บ, บับของกฎหมายมหาชนที่คนไทยต้องไปเรียนฝรั่งเศสท่านปรีดีใครต่อใครเนี่ยเขาปติเขาปฏิปรูปกฎหมายตั้งแต่นักเรียนนักเรียนให้ประชุมเพื่อแก้กฎหมายของประเทศนั้นเนี่ยตัวเองไปนั่งเป็นประธานประชุมเป็นร้อยครั้ง เวลาไปลบแนวหน้าเขียนจดหมายและใบสั่งมาแนวหลังตลอดเลล่ะตอนที่นักปฎเรียนสิ้นไปมีบันทึกจดหมายและใบบอกที่นักปเรียนได้ทําไว้เนี่ยแปดหมืม่ฉบับอยู่ในหอจดหมายเหตุส่วนทุกวันนี้ตอนนักปเรียนหมดอำนาจถูกปล่อยต่อ จิตแพทย์จึงนั่งเรือไปส่งท่านท่านนักเรียนทําไมท่านทํางานหลายอย่างได้พร้อมๆกันและสุดยอเท่า น, นลบดิเก่งมากบริหารเศรษฐกิจเก่งมากปกตินักรบทหารบริหารเศรษฐกิจก็ไม่ยอดเยี่ย ม, มพวกบริหารเศรษฐกิจยอดเยี่ยมกต่ลบไม่เก่งไม่จะทําให้บางอย่าง เรื่องกฎหมายก็เป็ น, ปนแถมโรแมนติ ก, กไปลบที่ไหนเขียนจดหมายถึงมาหมีสีในภาษาไทยเรายรอย่าแปลเลยจดหมายรักนักโบริยนทำในเรื่องหลากหลายและมันตรงกันข้ามได้อย่างไรเอาอารมณ์ที่ไหนมาถามนักโบรียนก็บอกว่าผมพยายามทำสมาธิ สมาธิคือคิดเรื่องเดียวหรือคิดที่ละเรื่องเราเรียกว่าเอกัตตาเอกัต์แือว่าหนึ่งแปลว่าเดียวอคคะ ก, ก็คืออารมณ์ที่เลือกออกมาตอนนี้กําลังเขียจนจดหมายถ้ามันจะเป็นจะต้องเขียนให้จบปืนใหญ่ดันตุ้มๆก็เขียนจนจบถ้าตอนนี้กําลังร์บเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้ก่อนทําแต่ละเรื่องจนจบเวลาของมัน แล้วค่อยไปทําอย่างอื่นทำอะไรก็ทําให้มันสุดยอดดีที่สุดชั่วโมงนี้กําลังทําเรื่องกฎหมายไม่สนใจเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องกฎหมายให้หมดเวลาจ้เวลาก็หยุดแล้วจิตแพทย์ทำทำ่านไอ้ที่พูดเดี๋ยวใครก็รู้แต่ท่านทำได้จริงหรอือเปล่าท่านทําได้หรือวิธีไหนไปเรียนมาจากสานักไหนผมคิดขผงเอง ผมจิตนาการและผูเรียนบอกให้สมองผมเนี่ยเหมือนลิ้มเหมือนตู้มีลิ้นชักหลายลิ้นชักเก็บเอ ก, กสารไว้แต่และลิ้มชักไม่ปักกมกันเรื่องนี้เก็บไว้ลิ้นชักนี้เรื่องนั้นเก็บไว้ลิ้นชักนั้นพอะจะทําเรื่องไหนปิดลิ้นชักอื่นให้หมดดึงเฉพาะเรื่องนั้นเปิดออกมาแล้วลักฐานการบันรบก็บปิดเรื่อง ความรักเปลีเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องกฎหมายดึงแต่เรื่องลบอ่ะไม่ปากนอ่ะพอไปถึงเรื่องกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจกเปลีเรื่องโดยผลอันชอบเรื่องกฎหมายหรือเรื่องเศรษฐกิจออกมาทําทีละเรื่องเจตแพทย์บอกท่านทําได้จริงเหรอยากนะแล้วก็เรียนบอกถ้าไม่เชื่อผมจะทําให้ดู ผมจะปิดลิงชักให้หมดเลยนะแล้วคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่าแล้วนักโปเรียนก็เจงกายนอนหลับตาปิดลิงชักไม่คิดอะไรเลยไม่ถึงห้านาทีนักโปเรยนักโปรยนหลับสนิทเลยหลอกหมอไม่ได้จิตแพทย์เขาดูลงหายใจเขาจับชีพจรลักจริงๆขนาดถูกไปกอกาะเลย หมดอำนาจวาสนาไปอยู่ในกอะ น, นอนหลับสบายไม่ต้องไปห่วงว่าจะถู่้อตายสุขภาพจิตดีเป็นคนมีสมาธิฉะนั้นเราเรียนอะไรก็ตา่างตอนนี้มาเรียนบาลีถ้าเป็นเรื่อชักเรื่องวิชาสามัญไม่ให้มาตีกัน ตอนนี้มาร่วมวิธีปัญโมนิเทศไม่ต้องไปบอกเรื่องอืใส่ใจอยู่เรื่องนี้มองให้เห็นฟังให้ได้ยินมีสติตามอยู่เรื่องเดียวจนจบเป็นสมาธิไม่บอกแบรกและลองดูสิประสิทธิภาพในการเรียนจะดีขึ้นถ้าสุดสติสุดสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าความจำมันดีขึ้น คนอื่นเขาใช้เวลาท่องเวลาฟังเวลาอะไรไม่รู้กี่รอบกว่าจะจําได้ไอ้ที่อาจารย์สอนแต่ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติเหมือที่นักเรียนเขาทามันเหมือนถ่ท่านถ่ายภาพเวลาปรับหน้ากล้องมือสั่นเนี่ยถ่ายเท่าไรเท่าไรมันก็เบลอภาพมันไม่ชัดหรอกเวลาฟังเวลาท่านในตั้งใจฟังเนี่ยมันเหมือนหน้ากล้องเหมือเหมือ น, ม, อ น, ม, อนมือสั่นเวลาถ่ายภาพ ไม่มีทางจำได้หน้าคนหรือหน้าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านปรับโฟกัสให้น่มือนิ่งเนละมือนิ่งภาพมันจะชัดมันจะประทับอยู่ในความสรงจำเรียนอะไรก็ตามฟังอะไรก็ตามเนี่ยฝึกเพ่งเมื่อหลงพ่อพุทธหลงพ่อพุทธเอานักเรียนในเขตการศึกษาในภาคอีสาน มาเรียนกับมาฐานกับท่านที่โครด้มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านให้คนมานิมนต์เป็นไปอบรมนักเรียนหลายปีมาแล้วหลายสิบปีผูพ้พูดอีกกบไปไปเพื่อจะไปศึกษางานเขาละ่ะไปเห็นอูนักเรียนมาทุกสัปดาห์เลยแล้วพระผู้ใหญ่เนี่ยไปช่วยกันสอนเนี่ยเช่นคุณระแบกก็ไป ไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อเอานักเรียนมาอบรมทําไมยุ่แย่หมดเนี่ยเด็กมอมอปลายมอต้นมอปลายมาพักอยู่ที่วัดแล้วก็มาเรียนการมาถานกับหลวงพ่อพุทธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไปไปหมดแลนน้วก็นิมนต์พักไปบรรยายด้วยหลวงพ่อบอกว่า จะทำให้เด็กเรียนดีขึ้นผลสมัมฤทธิ์จะดีขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพอ่อท่านก็บอกว่าสมาธิเนี่ยนะมันทำให้เรียนดีจริงๆผมอบรมมาหลายรุ่นแล้วและเห็นจากตัวผมเองไมายถตัวท่านตอนที่ผมบวชใหม่ๆผมอยู่สำนักสำนักบาลีและ ไทวัดมีสำนักกรรมฐานอยู่ในที่เดียวกันแบ่งเป็นล้วกันนิดหน่อยใครอยากจะนั่กรรมฐานก็ไปอยู่ไทวัดใครอยากเรียนบาลีนักธรรมก็ไปอยู่นัาา่งวัดแต่วัดเดียวกันเนี่และส่วนใหญ่เขาไม่ปะกลกันนะใครไเปเข้าเงียกบกรรมฐานาก็ไปอยู่นิ่งใครมาเรียนบาลีก็มาเดินอยู่ข้างหน้าเรียนนักธรรมก็ไปอยู่ข้างหน้าคนละเขตเนี่ยหลวงพ่อพุทตอนนั้นบวชได้ไม่นานสอบได้นักธรรมตรีแล้วมั้ เรียนนักทำโภคไปนักก่งกรรมาฐานด้วยแล้วก็เรียนบาลีไปพร้อมกันด้วยหลายอย่างทั้งนั่งกรรมาฐานทั้งเรียนบาลีเรียนนักทำวันหนึ่งก็ไปหลายหลายห้องเรียนไปกับห้องเรียนกรรมาฐานด้วยพักรุ่นพี่ครูบาอาจารย์เสียจเข้าก็เรียกไปว่าท่านพุจะทําอะไรก็ให้มันจริงทั้อย่าง วะม้วนใอยชายไปลอยชายมาเดี๋ยเดินไปฝั่งโน้นไปฝั่งนี้มันไม่ถูกจะนั่งกรรมฐานก่อนนั้นจะเรียนก็เรียนเดี๋ยวไปรน่นไปนี่มันไม่ได้ท่านพูดเกิดเสียงในใจก็ผมจะเรียนร่วมเรียนด้วยนั่งกรรมฐานด้วยมันจะเป็นไรไปเสียงในใจทําไมจะทำไม่ได้แล้วท่านก็ทําได้จิต นั่นกรรมาฐานก็นั่นจงจริงๆตัดอริยโคเสร็จแล้วก็ไปเรียนพอไปเรียนต้องไปทิ้งกรรมาฐานเอากรรมาฐานตามไปถึงห้องเรียนเดินกำหนดกรรมาฐานไปด้วยพอไปเข้าห้องเรียนก็ไปไม่ให้ฟูงงซ่างไม่คุยมากสนใจเรียนสนใจฟังบางทีเพื่อนท่านคุยเสยียสมาธิท่านก็เลยนั่งแถวหน้าตลอด แถวหน้านี่ไม่ต้องเหบียดเพื่อนยุกจิุก ก, ก, ก, กหรือมาสะกิดเพราะนั่งแถวหน้ า, นามันมองอาจารย์อยู่ตรงเลยไม่มีอะไรมาเป็นกำ บ, บังไม่ต้องลําขานเพื่อนเลยท่านนั่งแถวหน้าทุกทรั้เพื่อไม่ให้วอกแวงไม่มีใครเพาแถวหน้าไม่ค่อยมีใครอยากนั่งเลยใต้อาจารย์แต่แล้วท่านก็ น, นั่งเพ่งอาจารย์ เวลาอาจารย์สอนตบเพงเหมือนกับแบบโฟกัสหน้ากล้องถ่ายพัพให้มันเข้าไปถึงหัวใจเลยไม่ว่าพูดอะไรกรตา่างจับทุกประโยคทุกคาพูดนั่งแถวหน้าแล้วนั่งจ้องเนินนักเรียนมาจ้องมากๆอาจารย์อึบอัดก็ เ, เลยถามว่าท่านพูดมีปัญหาอะไรหรือเจ้องเอาเจ้าเอาท่านพูดก็บอกไม่มีหรอกครับ ผมกำลังเจริญกรรมาฐานเอาอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมาฐานทบเพ่งจะสิงครับอาจารย์ก็เลยบ็กเลาะแล้วก็บอกงั้นเพ่งให้ผมเป็นุยผมกันเลยนะรวมมือกันดีเพราะใกล้สอบท่านฝุฝันฝันเห็นไก่แล้วบินขึ้นไปเกาะ ร, รู้ตีปีขันเอกเอกภาพมันชัดมาก เลยมาเล่าให้ความฝันให้อาจารย์ที่สอนบาลีฟังเรื่องขฝันอย่างเนี้หมายความว่าอย่างไรอาจการย์ก็มาทํานายฝันให้หากินกับทํานายฝันอาจการบอกว่าแสดงว่ามันจะออกข้อสอบเรื่องไก่โปรปีกประโยคไก่โปรปีกเ น, นเก่งเค ร, ค, ครับเพราะว่าสมัยนั้นมันแปลกภาคประโยชน์สามโอ้ไม่รู้จะกินอะไรมันยุ่ เนี่ยต้องแปลในเรื่องไก่ปรกปีนี่แหลอยู่ในท่านหนือเนี่ยท่านก็ดูใหญ่เลยเพื่ไอไนถามด้วยประโยคเก่งไก่ปรปีออกแน่แน่ใครบอกท่านผมฝังเพื่อนหัวเราะใครที่ไม่เชื่อสอบตกใครที่เชื่อสอบได้ปีนั้นเพราะมันออกจริงจริงและท่านก็สอบได้เป็นมหามหาพุทธเลยเห็นอนุภาค ของสมาธิแล้วท่านก็นบอกให้ผมเพิ่ไดรับหนังสือจดหมายอจากลูกศิษย์ไปเรียนอยู่อเมริกามาทิ่คุยกันตอนตอน อ, อายุเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ตอนเป็นด้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนเลยยิ่งเป็นวัยรุ่นยิ่งโยเยโ ย, ยเ ย, ยไม่เรียนหนังสือพ่อแม่เลยพามาหาก็เลยฝึกสมาธิให้เรียนเก่งตอนนี้ไปได้คุณไปเรียนไปย้ายเอง เทีเยบเกรดเขียนจดหมายมาขอบคุณที่สมาธิเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเห็นครูบาอาจารย์ผู้แทนสถานศึกษาด้วยว่าผลประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยทางยูเนสโกบอกว่ามันเกิดจากเครื่องมือคนจะเรียนหนังสือเก่งต้องมีเครื่องมือไม่ใช่ปากกาดินสอแหละใครเรียนเก่งต้องมีเครื่องมือในการเรียนเครื่องมือดี ท่านก็เรียนเก่งเครื่องมือไม่ดีท่านเรียนไม่เก่งเหมือนกับเราจะไปตัดต้นไม้ที่เลนพรนพูดถึงเครื่องมือดีคือขวานคมท่านตัดกัดเดียวมันก็ขาดเพราท่านได้ขวานคมแต่ถ้าหากว่าเครื่องมือไม่ดีขวานไม่คมมันคือตัดเท่าไหรก็ไม่ขาดเครื่องมือในการเรียนที่องค์การยูเนสโกพูดถึงขอแรง ภาษาภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนเด็กเรานี่แหละอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ปะประโขงสอนอยังไงพอขึ้นประปลายหรือปปปป .5 ป .6 เนยังไงมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะขาดเครื่องมือเด็กบางคนมาบวชเนี่ยภาษาอ่อนมากภาษาไทยเราต้องมาสอนภาษาไทยกันใหม่ แล้วยิ่งพอเรียนสงสูงต้องใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ไ, ไม่มีเครื่องมือคือภาษากระจบเรียนไม่ได้ไม่ไม่รอดเรอฉะนั้นถามตัวตนเองพระนักเทศภาษาดีหรือเปล่าออกเสียงชัดไหมไ อ, อ, อเรอรเรือนี่เรอรีนเนี่ยทั้งพวกตล่งอะไรตอนน่อพี่ไรรวมถึงอ่านหนังสือรู้เรื่องไหม ถ้าภาษาก็ยังไม่ได้เรืองท่านต้องไปซ่อมเรื่องอภาษาฝึกอ่านออกเสียงให้มันถูกต้องปลกเขาเรียกว่าอักคระาพ ย, ายัญชนะและอ่านรู้เรื่องด้วยและยิ่งเป็นนักเทศน์ถ้าเป็นมหาปริญญนรู้บาลีด้วยนะ่อ่านสัพบาลีถูกอยนิโสมนสิการแปลว่อย่างไรตถาตาเป็นอย่างไงเนี่ยโอ้ท่นนีเทพเก่งเห็นไหมถ้าท่านมี เครื่องมือในการค้นธรรมะคือภาษายังไงท่านประเทศได้เก่งเพราะอะไรท่านอธิบายธรรมะได้ดีเด็กก็เหมือนกันไม่ว่าสายศิลสายวิทย์ถ้าเป็นสายศิลก็ต้องมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นสายวิทย์ต้องมีเครื่องมือคือคณิตศาสตร์ในการคำนวณออนคณิตศาสตร์แล้วจะไปเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านไม่มีเครื่องมือ เครื่องมือไม่ได้อยู่นอกตัวแนตะ่หมายถึงเครื่องมืออยู่ในตัวฉะนั้นใครจะเก่งอะไรหรือไม่ดูพื้นฐานก่อนท่ามีเครื่องมือไหมจะไปเรียนอะไรก็ตามถ้าเครื่องมือมันไม่แข็งมันไม่คมรับเครื่องมือฝุกภาษาเพิ่มภาษาอังกฤษฝึกคณิตศาสตร์ไปเกี่ยวเพิ่มในสมัยที่เรียนหนังสือเครื่องมืออย่างหนึ่ง คือภาษาบาลีเนี่ยก่อนได้ประโยคสามไปแล้วแต่ก่อนไวยากรณ์ น, นะเพราะว่าเราท่องเราเนี่ยเราไม่เข้าใจเราสมัยก่อนเนะี่ยท่องไปแล้วปอนไวยากรณ์ก็แปลก็จำเอาความเข้าใจก็ไม่มีเพราะาเรียนตอนอายุสิบเอสบสองเพราะได้ประโยคสามจะแต่งเขาเรียก่าแปลมังคตเป็นแต่แปลไทยเป็นมคตแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดนจับกินปอยอยู่เลยนะีย ผิดประโยกบ้าตัดครรมบ้อะไรบ้างดูไปดูมาแล้วมันไม่ใช่ศัพท์นะศัพท์เราได้นะแต่ว่าวิยารอนปอดผิดลิงบ้างผิดศัพท์ไปผิดประโยคบ้างะผิดประโยกอีกกินเป็นโบกคำปอนแล้วก็บาลีเขาตรวจโดยจักผิดนะผิด2องครั้งสิบสองคำหนึ่ดดน ง, งตึง้งตกอะโดนอีกศัพท์เดิไปเลยแค่นี้ ปูแสดงว่าเราอ่อนอะไรต้องรู้ตัวเองเอีกอ่อนวิยากรณทั้งทั้งสี่ประโยคสี่ไม่มีวิชาวยากรก่อนจะเรียนประโยคสี่ไปซ่อมเอาหนังสือวิยากรณนี่มาอ่านหมดเลยนะไม่ไม่ใช่เฉพาะสำเร็จมหาลัยจ้าวไทเขียนอธิบายไว้ที่ไหนอ่านจนต้นจนจบจนสมัครตัดทิศออ่านหมดปกติเพื่อนๆไม่อ่านเพราะเพื่อเงินเปเที่ยวกัน เราขึ้นไปคุยกับพวกนักเดินทางเที่ยวนนหน้าร้อนเนี่ยนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะสอบได้สอบตกกันนะแค่ราฟังผลในหน้าอ่านอ่านไวยากรณ์อ่านกันเลยๆแย้นจบเพราะประกาศว่าเราได้สบายเลยทีนี้ไวยากรณ์ที่ซ่อมตอนที่ซ่อมให้ตัวเองตอนที่ได้ประโยชน์สามใช้มาจนได้ประโยชน์หานี่เพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือท่านทั้งหลาย มันจะต้องมีเครื่องมือในการเรียนนี่คือเครื่องมือที่หนึ่งเครื่องมือที่สองคืออะไรไหมที่ยูเนสโกเนธโครการยูเนสโกบอกเครื่องมือที่สองคือสมาธิเด็กที่มีสมาธิจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีกว่าเด็กที่ฟุ้งซ่านความจําจะดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติฝึกสมาธิอย่างที่พูดถึงนโกเรียนพูดถึงว่าครบเพื่อนต้องเพื่อนเรียนเนี่ย ถ้าเด็กที่ฟุ้งซ่านไปมาเนี่ยสมองดีแต่ว่าผีเข้าผีออกช่วงไหนตั้งใจเรียนก็สอบได้คะแนนดีช่วงไหนไม่ตั้งใจเรียนพบเพื่อนไม่ดีใจแตกก็สอบตกมันไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาที่สมองอย่างเดียวมันอยู่ที่การฝึกฝนเพราะฉะนั้นตอนตอนเรียนประโยคสามเนี่ยอ่านวิสุทธิมัจจะวิสุทธิมัจของสอนธรรมกตีเนี่ยประโยคแปนะี่แต่อ่านเอง อันนี้สุดทีม่มั่นวิธีนั่นกรรมฐานสุดกรรมฐานแล้วก็ไปเรียนกรรมฐานกับพระธุดงคที่ท่านธุดงคมาเออมาอยู่ที่วัดภายนอกอะไปเรียนกับท่านตอนแรกก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าจะอยให้เรียนเก่งก่าที่เรียนที่เรียนกรรมฐานกับพระธุดงคนี่มันมาถึงข้อที่สามคือก่อนสอบพอเราเรียนอย่างมีสมาธิแล้วเนะี่ยพอใกล้สอบที่ท่านจะต้องเก็บตัวเนะ่ย อัดกิจตื่นทิ้หมดเลยทิ้งเลยอะไรอะไรก็ตามหนึ่งเดือนนี่เหมือนกับจะแข่งกีฬาโอลิมปิกเขาส่งไปเก็บตัวกันบางทีหกเดือนไปซ้อมวยอย่างเดียวนะที่ได้เหรียญทองเนี่ยต้องหเดือนหัดไว้ายน้ำอย่างเดียวหกเดือนเหมือนกันเลยเพราะว่าตอนนั้นจะสอไปรยชน์คไป ไ, ปไปตอนตอนต้นปีการศึกษานะั้นสอนแต่นังสือเขาให้เป็นครูอยู่บ้านนอกสอนนิงสือภาคเนือด้วยกันไม่มีเวลาเตรียมสอบ แล้วยังกัดวันสนัมมาเนนี่อุยฟุยกซ่นจริงจพอใกล้สอบขึ้นมาเลยรู้ตัวว่าเราถ้าไม่ติวพิเศษไม่มีทานทันเพื่อนหยุดทุกกิจกรรมไปอยู่วิหารร้างวิหารร้างเืออะไรตัดไอ้พวกที่ชวนเที่ยวเนี่ยไม่ให้มันตามไปเพราะมันกลัวผีเออมันไม่ไปยุ่งกับเราเลยนะพอเห็นเราไปอยู่วิหารร้างเนี่ยอายุไปร้อ ย, ย ป, ปีนะแล้วก็มีพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มี องหนึ่งเป็นประธานอีกองหนึ่งแขนขาจะเหมือนภาษาวกันนะอีกองหนึ่งสีสากขันพระพระที่นั่งหัวขั้นเสียนขานแล้วเขาก็มาเยี่ยมก็ามาถามว่าเป็นยังไงทําไมเสียนขันใครที่อยู่มาก่อนเขาไม่รู้อะไรเลยนี่แหละพุทธรูปนนะเนี่ยะเนยมานอนก็นอยู่ตรงเนี้ตอนนั้นยังมีเสียนอยู่นะเนยสององค์มานอนกันออมานอนอยู่ด้วยกันเนี่ย นอนเล่นกลางวันพอนตื่นขึ้นมาเพื่อนหายไปเพื่อนเห็นรหายไปมองพ้ามองขวาเอา้าเห็นแขนเนรโผร่มนจะเสียนพากที่ขอขาดแล้วยังมีเสียงอยู่กินเนร <c oughs> เข้าไปเนีอยก็เลยวิ่งจะไปบอกเจ้าพ า, าก็พากินเนรพุทธรูกกิน เ, เ, าาเนรพอเจ้าพากวิ่งมาถึงออพระในวัดวิ่งมาถึงมาดูพระพุทธรูกเสียงขาดไปเนยทำไมล่ะโดนพรพุทธรูกโกลาจตกสันสอนเสียงขาดเลย โอ้ยใครมาปากเรื่องนี้กลักันไม่กล้าตายวิหารนั้นเลยนะรุกน้องเน่ยนะแต่ผมกล้าผมรู้แล้วเขาเล่าเรื่องเรอเลยไม่เล ย, ม, เลยมีสมาธินะไม่มีใครไป็นกวนเลยนอนอยู่คนเดียวเรียนหนังสืออยู่เป็นเดือนนะัไม่พูดไม่จากระทายละเป็นเข า, าเรียกว่าเตรียมสอบเหมือนกับทุกวันนี้ที่ไปจัดอบรมบาลีที่วัดต้นสนเนี่ยมานจะฝังคิดตรงนี้ด้วยเป็นเดือนจะไปเข้าค่ายอบรมบาลีกันทุกวันเนี้ย ตัวเองเนี่ยสมัยนั้นไม่มีใครบอบรมให้ก็ไปทาสมาธิแล้ววันหนึ่งนอนเน่นต่างๆก็ไแอบดูรเราสงสัองค์นี้เพี้ยนบ้าแล้วอยู่ตัวผีได้ไม่ถูกกินสักทีเน่มดูไม่ตายหรือยเนี่ยลแล้วก็คืนหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งกำลังนอนอยู่เนี่ยคนมาเคาะประตูวิหารโอ้ประตูะนั้นมันใหญ่แล้วตัวจะปิดจะปิดได้เราตัวเล็กอนี่ยยมีเคาะ ตื่นขึ้นมาโมงเงียบมาเปิดกระตไม่มีใครเลยนะตอนเที่ยงคุนง่วงนอนก็ปิดประตูแล้วก็ไปนอนต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มาเข้เตื่นช้ า, าเพื่นมานั่งคิดอี๋อะรมันมาเข้าประตูลรอเปิดก็ไม่เห็นใจหายว่าสงสยัยผีแน่นอนเพราะผีเท่านั้นแหะแทบจะเพลินเลยสินัวแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่กับเดนไม่อยากอ ย, กอยู่วิหารแอย า, อยากอยู่กับเพื่อนเ่ยกลัวผีมากๆ คิดไปขึ้นมาไปหาหนังสือมาอ่านทำยังไงถึงจะบรรเทาการกลัวผีเพราะถ้าเราไม่หายกลัวผีเราต้องแพ้แน่นอนไม่มีไม่มีโอกาสที่จะติวตัวเองไปอ่านหนังสือเจอเขาเขียนว่าไม่ต้องกลัวหรอกผีมันเป็นภาพรวมตาอย่าไปช็อกตายเส้ก่อนเพราะมันไม่มีมือบินดีคอเราคือพ่อ ย, อยังชั่วเอี่ยังไงมันก็ไม่มีคอหรือในใจอย่างว่าเราช็อกตายเพราะเห็นภาพเอ๊ เราก็ฝึกสติทีนี้ตอนนั้อ่านรู้สึกิีมั้งแล้วทำสติเจริญกรรมฐานแต่นึกได้แล้วถ้าเกิดผีมันมาข้างหลังแ่ละเลือก <c oughs> ไปเห็นว่าตั้งสติไม่ทันเราชอบตายทําไงโ อ, โ อ, โอ้โกรกขึ้นเลยแล้ว <c oughs> ก็เลยพัดถล่มมาก็ขอกรมกรมฐานฝึกกรรมฐานเจริญสติพอเจริญสติพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าไปตกลงกับผีอย่าให้มารบกวนผีอยู่ที่ไหนป่าช้า เป็นเมนเนี่ยเมนติดกับสาลาใหญ่เลยอยู่มา่นนอกไฟมุดๆอยู่เดินไปคนเดียวตอนเที่ยงคือจะไปคุยตกลงว่าอย่ามาหลอกมาหลอนกะันเดินไปที่สาราพอจะขึ้นไปข้างหน้าสาราหมาเห่าเกลียวเลยโอ้ยอย่าขึ้นดีก่อเแล้วผีร้องกรอบ <c oughs> เดินไปข้างหลังพอาจารย์องเวนมองเว น, เนไปเห็นเมน ด้านหนึ่งอยู่ที่ศาลาเขาจะเอาศบตั้งบนศาลาแลาา้วก็เผาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับมันมั น, ม, นมันออกมาที่โรงโรงยาด้านหลังของเมีเนี่ยมีมีหน้าต่างเปิดไม่เยี่ยมไม่ยากก็ไปยืนจ้องอยู่แล้วก็พูดในใจโหน้ามาคุยกันหน่อยไปที่ชอบที่ชอบอย่ามารบกวนใจมาคุยกันหน่อยว่าอย่ามาหลอกมาร้อยกันนะและท่าแน่จริงนะหลอกกันตอนนี้เลยก็ได้ เพเตรียมคาถาไว้แล้วเตรียมคาถาไว้ยันดีเลยนะเสกคาถาไว้แน่จริงโค่นหน้ามาให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วก็นั่งจ้องเพราะหนึาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอ ก, กบตัวเองไม่แน่จริงนะผีไม่แน่จริงชี้ตังวีชีตังมีเกิดตั ง, งตยัท่านตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยโกหกผีเลยในชีวิตผมเดินท่เป็นเดียเรื่องนี้เป็นคว า, ามสาัมาษณ์เฉพาะตนเดิ น, ด น, นท่านาเดวอย่างนะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมารเราตอนนั้นนะ่ะ ใไขหัวโกรนตายไปหลายนนะปรรุ่นเลยพวดีดีเคยรู้เพื่อป้องกันเรื่องนี้เล่าให้ฟังก็นหนยะเคยมีคนทําอย่างนี้ที่อายุทยาพระบวชใหม่ไปไปบ่าชา้าเหมือนกันไม่รู้อะไรไปบ่ายชา้าแล้วไอ้เพื่อนนะเป็นพรนะอะไรพระใหม่เอาผ้าขาวปูหัวโผล่มาจะพุ่กไม้อะตรงนี้ก็นึกว่าผีมาก็วิ่งหนีสินะวิ่งหนี ไอ้ไอ้เพื่อน ก, อก็วิ่งตามมาอีกนะวิ่งตามมาไม่ใช่อะไรเพื่อจะมาบอกว่าคู่เพื่อนมึงมึงไม่ต้องกลัวแต่มันยังเอาท่าขาวลุบวิ่งตามมาด้วยความหวังดีไอ้พี่โกวิ่งตัดแต่ลับมาเข้าบุติีปิดประตูสามวันไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดประตูนะจนกระทั่งต้องไปตามโยมแม่ในกรุงเทพเร่ยนไป แม่ไปเรียกจิตกระดูกดูนำส่งโรงพยาบาลแค่ป่วยอยู่แล้วบรารมีพระแม่ก็เอาจีวรมาถวายคุณผู้ชมนเนี่ยบอกว่าไอ้หมอนี่ยตอนเป็นขาราชการเคยเคยมาขอเงินไม่รู้จักดดหรอกขอเงินกี่ร้อยก็ไม่รู้ไปเยี่ยมแม่ต่างไปไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมลูกต่างจังหวัดแล้วบอกจ่ายมาคืนก่อนจะตายพูดเลยต้องเอาเงินไปคืนพักที่วัดไปยู น, นยแล้ว เ น, นไม่มีก็เอาจีวรมาถวายก็แล้วก็เล่าให้ฟังนะชื่ออะไรก็บอกเลยก็จำเขาได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปทำํำเล่นนะอันนี้เล่าให้ฟังนี่เฉยโชคดีตรงที่ไม่มีใครไปหลอกกันนะดูว่าวาจะได้มาเนะ น, นี่ยลมสุนขนาดไหนสู้กับความกลัวขนาดไหนสู้กับวิ น, นัยในตนเองขนาดไหนถ้าโดนเพื่อหลอกอาจจะบ้ากันแะล้วตอนนะ <c oughs> มีมีคนเดี๋ยวนี้ก็่จะมีนะ เลี้ยงเก่งมากๆเลยนะที่พักเดียวกับรุ่นพี่นะแล้วก็แต่งตำราวิทยาศาร์เดี๋ยวนี้ก็ยังสึ่หาลาพี่เป็นฆราวาไปเพราะอะไรเขาบอกว่าว่าอย่างไรห้องวิยาศาตรตอนเป็นเดเนี่ยนะหลับตาในสมัยก่อนเราซีวังยูดอยเป็นสารฆราวาไปแก่หลับตาเขาปิดไฟด้วยนะไม่ใช่ปิดไฟสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้ามีกระเทียน ้าห่องหงวัดบ้านนอกู่โอ้โหน่าเรียน้เลยะไปที่ไหนก็ท่องกันมวันสุกร้เลยบรรยากาศนดีเลตื่นตีสี่มท่องแขงกันตอนกลางคืนก็ปิดไฟท่องแข่งไอ้เพื่อนก็หมั่นไส้ไอ้เด่ี่มันขยันรู้ืลเรายังไม่ขันตื่นมันตื่นมาท่องทุกคืนเลยตีสี่เนี่ยทำไงรู้มันย่อมย่อมไปที่หน้าต่างมันอยู่ชั้นสองเนี่ยที่ท่องไอ้เพื่อนอยู่ชั้นล่างกเทียนหนึ่งกลมหนึ่งกลม แล้วองนั้นกําลังหลับตาท่องไอเนที่จุดเทียหนหกึ่งกำเนีย <c oughs> เห็นเพื่อท่องอยู่ในความมืดก็ตะโกนเรียกชื่อชื่อวีรัตแต่ชื่อรักเน็ตมากพอตะโกนชื่อแกก็ตกใจลืมตาเทียนมันไอไ อ, ไอผู้หน่งกำเนี่ยมันโยนเข้ามาทางหน้าตา่างตกอยู่ตรงหน้าของผู้กําลังท่องหนังสือพอลืมตาเนี่ยเทียนมันแตกนะมันโดนพื้นเนี่ยมันแตกเป็นไฟประกายเนี่ยว้าต่อนหน้าเนี่ยล้อ มันร้อสุดเสียงเลยสมัยนันเะเรียนมาตั้งแต่บัดนั้ น, ไไ น, น, นแต่ก็ได้ถึงห้าประโยคเน่ยโอ้ขนาดเรี้ยๆเลยแล้วก็เนี่ยหลายอย่างเนี่ยยากโยงทั้งหลายการสอบปรีเนี่ยมันทุ่มเต็มยุคพอจะได้เป็นมหาพวกเราอยู่ที่นี่สมัยนี้มีสื่อมีอนนุปกรณ์ีอาจจะไม่ลำบากระบนเท่ากับพวกเราสมัยก่อนแต่ก็ยังไม่เรียนเหมือนเราเลยไม่ทุ่มเทนะในทางที่สมัยนี้มีวิทคอมพิวเตอร์มีอะไรต่า ง, งๆเยอะแยะหมดสมัยโน้นนี่ ไฟฟ้ายังไม่มีเลยจุดเทียนเรียงกันเนี่ยสมัยผู้ผู้เรียนเป็นเรียนเี่ฉะนั้นสามข้อนะข้อที่หนึ่งลงทุนข้อที่สองลงทุนข้อที่สามการเรียนต้องมีวินัยในตนเองต้องมีกระดิ่งนิดและข้อที่สามการสอบท่านจะต้องเก็บตัวต้องมีสมาธิตัง้งทุกเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุทธท่านทำแล้วก็ ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันบานสำนักเขาจัดอบโรมบาลีก่อนสอบเราต้องไปเข้าไปช่วยแบบ่งภาคสองเนี่ยจ้าว่าเราไปยืนไปจัดอยู่ที่วัดต้นสนใครจะเรียนบาลีก็ไปไปเข้า15หวันนะอ่าจะทำให้มีสติมีสมาธิและสอบได้ได้ในส่วนของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเลขาสำนักเรียนหรือใครช่วยกันตามเนี่ยตามสนณตามภาคที่ ยังอยู่ในเกณฑ์เรียนทำไมไม่มาไม่ต้องไปไม่ต้องถึงเวลาก็ไปทำหนัรรงสือรวมโทรไปตังเลยวันนี้เนี่ยไม่มาถ้าเป็น ไ, ได้ให้ครูช่วยตางด้วยตูดกันตรงๆไม่ต้องใใอะไรใครหรอกวันนี้เพื่อที่ลองปรับปรุงคุณภาพไปเลขแต่ตอนท้ายๆมันไม่ทันเลยท่านต้องลงทุนเรียนตัง้งแต่ต้นและใครจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องเรียนต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะ ว, วิชาภาษาบาลีมันเป็นทักษะท่องประจังไม่ได้ ต้องฝึกเขียนภาษาในภาษาอังกฤษ จ, จะพูดได้ไม่ใช่ท่องสัำได้ต้องฝึกพูดต้องฝึกอ่านต้องฝึกเขียนภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันใครจะเป็นมหาต้องไปฝึกทําแบบฝึกหัดต้องไปเข้าห้องเรียนให้มันซึมเรียนทั้งปีเหมือนวิชาเทศนะท่านต่อให้ท่านอ่าน61สิบดรธรร ม, ทมเทศนา พ, พระรหมบดีไม่ได้ก็เทศนะเ <c oughs> ออเทไ่ได้หรอท่านแต่ถ้าท่านมาเข้าห้องเนี่ยฝึกอยู่เรื่อยทาหน้าชั้นเข้าหน้าท่านฝึกไปฝึกมามันเหมือนขี่จักรยานมันเป็นวิชาทักษะ อะไสกิลแต่ในในการศึกษามันมีสาท่านนะหน knowledge ความรู้เหมือนกันนบสักการะพวกเสดมาทํำมาเทศานาทำไปเทศไปได้เพราะท่านจะต้องฝึกฝึกก็คือสกิลข้อที่2อทักษะนี้จะความรู้เท็ไปได้ไหาจะมาฝึกนะท่านมาฟังมาอะไรต่างเสร็จแล้วท่านจะต้องมีใจตัณฑ์มี attitude คือชอบชอบเป็นประเทศที่ท่านมาเนี่ยท่านมาชอบเป็นประเทศถ้าท่านไม่ชอบนะผมว่ามาได้สัก2สัปดาห์ท่านก็เลิกอนะ่ะ มันเหนื่อยมันเบื่อมันเซ็งนะแต่ถ้าท่านชอบท่านจะมาประจำบาหลีก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเรียนบาลีนะเรียนเพราะว่าเขาบังคับยัาไม่ใช่อไปเก่งเพราะท่านไม่มีเจตสติไม่มีความรักไม่รักศาสนาไม่รักภาษาบาลนะีและมีความรู้แต่ท่านไม่ทําแบบพื้นฐานท่านไม่เขียนท่านไม่ทําอะไรเลยนันก็อสอบไม่ได้ต้องมีสามอย่างผมเคยเห็นมันเพื่อนเนละ เพรใต้สอบแนละ้วค่อยไปเล่นดูก่อนสอบไปรู้ไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่แล้วตกมาหลายปีแล้วก็เลนะไปสอบเนื้อเรียพวกนั่งหัวเราอยู่เนี่มันต้องเรียนทั้งปีท่านไม่ใช่ไปตัเรียนเทพจนเสียงแหกเสียงแห้งนะกินมะนาวอยู่เลยถ้าถึงเวลาทจะไปสอบมันจะต้องเรียนทั้งปีมันค่อยๆฝึกให้มันเข้าๆไ้ในสมองแต่เข้าไปในจิตใจแล้วมันจะสอบได้ท่านต้องลงทุนลงทุนทั้งฝา่าสำนักเรียน ลงทุนทั้งฝ่ายผู้สอนผู้เรียนสถาบันการศึกษาวันนี้เรามาทสัสตยามาลร่วมกันเนละเราม า, มาลงทุนร่วมกันและเราก็ท่านทั้งหลายที่มาเป็นผู้เรียนก็ลงทุนในเรื่องเวลาลงทุนในเรื่องของั่มีวินัยในตัวเองก็จะประสบความสำเร็จในการศึกษาก็ข อ, อปลาร o ในเบื้องต้นก่อนที่จะไปตัดต้นไม้วันนี้มา ร, รับเตรียมรับขวาญด้วยกันจะ <c oughs> ขอนุโมทนาทุกท่านทุกฝ่ายที่มาเข้าร่วม ในการประชุมนี้เทศนี้ในที่สุดนี้ขออัางุุณขสีรัตน์ใจและคุณกุศลทั้งหลายทั้งบรมที่เกิดจากการให้ธรรมทานในการสอนธรรมะสอนบาลีและประเทศในเรื่องเหล่านี้ขอจงมารวมการเป็นสบัดดีชาภาววรวะตรปัจจัยอำนวยความสให้การเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งผวงที่มาประชุมร่วมกันวันนี้ดาเนินไปด้วยดี ตังต้งตามประนุปนิหารที่ตั้งไว้ขอที่ท่านที่กําลังเข้าศึกษาในทุกระดับจงประสงค์จะความสําเร็จในการศึกษาเราเียนโดยประาิจากคุกโขงโรคภั ย, ยปฐมนัยทั้งปวงประสงค์จะลงหมายสิใใ่งใดก็ให้การสําสเร็จสมโนรถภูมมานปราศนาทุกประการตลอดการและนานคือสาธุ